หลนะังเต็มกันเลยน้องตาก็อยากบอกอยากสอ น, นะมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้่นะมีอาจารย์หลายรูปนะอื้อ สอนได้ช่วยกันได้อย่างหลวงตาไปกรุงเทพไปอริยธรรมมย่าโจอมอเซลอาจารย์ทรงศิลนุกสิทธิ์ของท่านมาฟ้องหลวงตาหน้ายอดเยีเ่ยมที่สุดเลยหลวงตา อ, อาจารย์ทรงศิลสอนธรรมะ ได้ดีมากคนเข้าใจเลยเหมือนจีนหลังตาก็เชียร์จานโนตให้เป็นผู้นำทุกกรณีก็เจีงเหมือนกันมีหลายรูปหลายองค์ที่อยู่ที่นี่เพิ่อนต้องไม่ชีด้วยนะใช่ไหม ช่วยกันบ้างนะแต่ล้องตานี่อดไปได้มันดีดขึ้นมาเลยไม่พูดไม่จ่าอะไรเลยไม่ได้ต้องบอกความเด็ดความจริงแจ่ผู้คนแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นมานี่บวชมานี่ไม่เพื่ออะไรนะเพื่อการนี่โดยตรง แล้วก็มีเพื่อนมีมิตรก็ยิ่งดีใหญ่เหมือนพวกเราเนะี่ยเดินตามรอยอยุคนบอดไปด้วยกันสังฆสงฆีพิจุนีวาสกปาชิกาลอยพระติเจ้าไปดีแน่นอนเลยละ่ะต้องผ่านตรงไหนแล้วก็ผ่านเหมือนกัน เราไปอยู่อยู่ที่นี่ไปทางไหนก็ไปด้วยกันก็ผ่านมันกันหมดก็ทมสงสารวัดแต่สงสารเหมือ น, นกันเคยทุขขยขยกขเคยหลงเคยกอธเคยวิตกกังวลเศรหมองเคยรักเคยเกลียดชงยังเคยผิดเคยถูกเหมือนกันหมดไม่ต่างอะไรกันเลยเจยๆพระความรัก ดีใจความรักเป็นทุกความรักเป็นส uh ุขความรักเหมือนกันหมดต้องมีเหมือนกันทุกคนว่าแต่สงสารเปี่ยงนี้เราจึงค่อยจเหมือนกันเดินไปด้วยกันเชียงบ่าเชียงไหลไปด้วยกัน แม่เราอยู่ที่นี่ไม่ค่อยเห็นกันก็เหมือนกันไปด้วยกันจริงๆเรานอนอยู่ก็เหมือนกันเราไปด้วยกันงั น, นั่นอยู่ที่นี่ไม่ซีอยู่ที่นั่นพระอาจารย์อยู่ที่นี่โยมอยู่ที่โน่นอุ่นใจเพื่อนเดินทางดึงกันไปต่อกันไป เพราะหน้าที่ของพระสองฆ์เนี่ยทำหน้าที่เหมือนผู้ที่เจ้านะพระเจ้ากับพระสองฆ์มีหน้าที่เหมือนกันพระเจ้าตัดสินเองโดยชอบบงสอนผู้ใหนรู้ตามพระสองฆ์คือหมู่ชนผูช้ชอบฟังคําสอนพระเจ้าแล้วออกบวทตามทํำในในสอนคนอื่ในให้รู้ตามเหมือนกันถ้าพระสองฆ์รูปใดไม่สั่ไม้ ส, มสอนน่ะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นสง เราต้องทำหน้าที่นี้ให้ได้อะไรเล็กน้อยก็ทำไปเราปฏิบัติได้อย่างไงก็สอนคนอย่างนั้นเราเคยมีความหลงมีความรูก้ก็สอนให้เขาเปลี่ยนหลงเป็นรู้เรื่องมีน้อยก็สอนน้อยๆไปถ้าไม่สอนฉเฉลยก็เหมือนไม่มีประโยชน์เลยเรียอเป็นปัจเจ ก, กพุทธ ตายทิ้งไปเปล่าๆตัดชักโลก่เฉพาะตัวเองไม่มีประโยชน์ในโลกทุกวันนี้อดีตก็ดีอ ด, อดางโคตก็ดีปัจจุบันก็ดีมันก็เห็นกับหูกับตาเราอยู่แล้วอะไรที่มันไม่ถูกไม่ชอบเราก็เห็นกันอยู่ในตัวเราก็เห็นในโลกก็เห็นนี่ว่าทีา่ ป, ปิตาย อัานตาทิพย์ไตมองตนก็เห็นโลกาทิพยไตมองโลกก็เห็นมาที่พุ์ไตเพื่อทําจุดหมายปลายทางของคีิตของคนเราในเพื่อทําจริงๆถ้าไม่เพื่อทำนั้นไม่ประโยชน์น่าเสียดายที่เราเกิดมาแน่จึงกระตือรือ้นมากให้ช่วยกันเถอะ ถ้ามีบรรยากาศได้ยินตอนเช้าตีข้องให้มาทวัมต้องชื่นใจตอนเย็นเสียงข้องมาธรัมะก็ชื่นใจ อ, อคนก็เดินกันมาเป็นออกเคลืนไหยใส่ใจกันชื่นใจเป็นเลนเป็นตาที่ถ่ายให้กับชีวิตของพวกเรา อย่าต่ไปอยู่เมืองกีนพอทีสามก็ได้ยินเสียงเกาะที่เราก็ก็ก็ก็มาห่างกันเขาเชียงน่ะสมเด็จเสียงเกาะที่เราก็ก็ก็ก็วันที่เกาะกเดินไปนะแต่วัดขะไม่เหมือนวันเรามันไม่คว้างใหญ่ไปสัดวันนี่นี่ตาไม้ก็มีเดินแต่คอนจีด ในบริเวนวันตีไปก็ตีทั้งนั้นตีไปที่นี่ตีไปเดินไปบ๊อบบ๊อบบ๊อบเราเป็นเช่นนั้นบ้างก็ดีนะไอ้สมึ้นไอ้ตีอ่าทางที่วันดอกตีมาซะต้อก็มาทางที่วันตก ไปมาซะก็ก็มาโอ้ยจะมีความโกมาเลยนะนอนฟังอย่ก็มีความโศกนะผู้ประมาทจะไม่ได้จะได้ไม่ประมาทยินเสียงเคาะตีก็ก็มาผู้หลับอยู่จะได้ตื่นขึ้นมาเป็นบุญการบอกทางเนี่ยบอกทางขี้เวลา นักขัดตังปฏิมาเน้นตังอธุวะชพจนุปจฉาการนี้ทำอะไรอยู่นั่นก็ บ, บอกแม้แต่บวชพระสงฆ์ให ม, ม่เรียกว่า บ, บอกฤาษีนั่นหมายเป็นนักบวชเราต้องบอกฤาษีทันทีเลยตาวายเทวานี่กระทังปฏิมานัานตัง ทั่วปัจจคตาวะเทวานะ่ะรู้จกดาวรู้จกเดือนรู้จักเวลาลื้ไหนอย่างใดตั้งขึ้นข้างแรงจะไปไหนไปสอนใครวินทะบาทางไหนจะโมได้อยู่ได้กินจะไปบอกใครจะช่วยใครใครน่าจะช่วยก่อนโม ชาธิวาชีอเมโตวงอาทิตย์บังทิวาสวัสูอาทิตย์ตปโปจัตตาราน้จัตตานิดูลือกดูคนดูทิศดูทางดูการเวลาให้รูจ้จักไม่ใช่หลับไหลแล้วรู้จกใครเออเราเจ้าจะมองเห็นชาวบ้านมองอุปนิยัยของคนที่อยู่ชาวบ้านที่เป็นอยาน่างไร ตาวาทิวาเชียเมตวาไอจิทิปาจัตโตโยกิทิรโปคิดของใครเป็นไงสังเกตี่ล่ามารยาดูได้จะไปบอกเขาเคยปวดไปวินทถาวรเคยปวดสัตว์ตามเวลาที่กำหนดมันจะ แต่ไม่เข้มแข็งในจิตวิญญาณของเราเมื่อเราก็เอาอย่างด้วยเอาอย่างพู้นำมีพูดนำมีพูดตามด้วยหักเป็นผู้นำเสนอตัวเราบ้างอย่าไปเป็นเฉยหน้าวัจิกาตามแต่คนอื่นจะมอไปเสนอตัวเราบ้าง บาโบคนบอกเราจะแช่หนี่ถือชีวิตเราทีบตัวขึ้นมาบกตัวขึ้นมาอะไรยังไม่โล้พยายามให้โล้อะไรยังไม่เข้าใจพยายามให้เข้าใจอะไรยังไม่แจ้งพยายามให้แจ้งอะไรยังไม่หลุดพ้นพยายามให้หลุดพ้นเรคนหนึ่งคิดอย่างนี้ มองถึงครอบครัวพี่น้องเราเราก็มีอยู่จริงมีพ่อมแม่ลูกของแม่คนนียเราคนหนึง่งลูกของพ่อคนนี้เราคนหนึ่งเสนออย่างนีต้ต้องเป็นชีวิตคนหนึ่งของตระกูล น, นี้ <c oughs> <c oughs> ยิ่งเราไม่มีผัวไม่ีเมียเราคนหนึ่งจะต้องเป็นคนดีของเมียเป็นคนดีของผัวเป็นคนดีของพ่นนขอพของแม่ เป็นคนดีของที่องลอง <c oughs> เสนอขึ้นมามีกำลังใจมันจะปํางัดไม่ได้เมื่อเขาประมาทเราก็ไม่ประบาทเพราะเราเสนอตัวเราแล้ว <c oughs> ตรงหุแลงไม่เป็นแรงตรงกาไม่เป็นกามันคงเสมอฉีดเส้นเอาไว้ ถ้าไม่ฉีดเส้นให้ตัวอย่างเฉลยเน่มก็มือแต่ด้านแลเรียกไปทางไหนแล้วก็มองเห็นกันอยู่เนี่ยคำสอนก็มีพระสงฆ์ก็มีตัวบุคคลก็มีสถานที่ก็มีให้รู้ไว้เอไม่ทำอะไรเลยก็คิดไปก่อนก็ดีนะมันจะได้ถึงสินทิ้งธรรม ตนใจจะขาดก็ได้ถ้าคิดถึงถ้าคิดไว้เรายังไม่ได้ไปไปไม่ได้เป็นภาระเป็นตุละอยู่แต่เราคิดไว้มันก็จะไปถึงเขาจำเป็นก็ถรอจนมาจะแล้วก็หาทางออกได้ <c oughs> มันเวราณท่านว่าถึงข่าวยากจนเอาดอกย่ามาแฉมผมก็ยังสวยได้แม่เราไม่มีอะไรมากมายเพยียงคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงคำสอนก็ยังจะดีถ้าเราไม่ได้ขีดเส้นไว้เลยคิดตั้งแต่บาปกรรมที่ตัวเองทาํามาสลดก็ทุบกระทือนขีดใจเศ้าหมองคิดเห็นความโกรธเอาความโกรธมาลงโทษตัวเอง ที่เห็นคามรักอาความลักมาหล่นโทษตัวเองจนเขียนของเกียรติชังอะไรต่างๆมาหล่นโทษตัวเองคิดให้ตัวเองจนล่องให้เสียใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เลยมันไม่มีอย่างนั้นมันไม่เมื่อยอย่างนั้นเสมอไปคิดของเราเนะี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมีทางอยู่ยิ่งเพอเรามาผึกเจตีเนี่ย น่ามีสติเล็กน้อยน้อยนอยมีความโกรธมากมีความทุกข์มากลองมองดูแม่แม้มีแสงลิบหลีเขาให้แวกออเมาสักหน่อยนั่นหละคือทางไม่ใช่เมื่อยอยู่เช่นนั้นแสงลิบหลีนในไหนบ้านในเบางในประเทศที่เขาเจรเิญ ในบ้านเขจะมีติดไฟแดงเพ็พ็บเบเบเป็นทางไปไว้นี้ไม่มีดับไม่เหมือนไฟฟ้าแล้วน้องตาปอะโยชน์สาระแดงจะมีที่ทุกทุกแห่งในบ้านในตึกเขาจะมีไปนน้อยๆโทษหิงห้อยเบบเบ็บเบ็บเบ็นเลยทางไปน่ะหิงห้อยน้อยๆน่ะทางไป ตามไปเถอะมันจะมีทางออกแต่มันแบบไม่ไปทางไหนที่ไปเท่านั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเพิ่มโกรธที่มันเป็นทุกข์มันมืดทั้งอื่นหมดแต่มีสตินหน่อยมันได้กแกมันมาแวกไปแวกไปแยกไปจะพุทถาง ในความหลงในความมืดจะมีความไม่มืดถ้าเราเรกเราจะมาสร้างสติเนี่ยมันจะดีเพื่ออะไรจะมาสร้างสติเพื่อป้องกันอนาคตเรามาจึงสร้างสติเพื่อแก้ความผิดพลาดที่ได้ชีวิตมาใครก็ผิดพลาด ถ้าเรามีสติก็แค่ความผิดพลาดความบาทในการชีวิตวาในวัน ก, ก่อนๆถ้าเรามีสติเดี๋ยวนี้ก็ เ, เป็นการป้องกันในอนาคตต่อไปด้วยมีประโยชน์เราจะไม่ควรประมาทกอมรูกควงหลงเนะี <c oughs> ่ยก็ยอ เราทำไมจะช่วยกันได้หาวิธีให้ได้คิดแต่ช่วยคนอื่นอะไรที่ไอช่วยไม่ช่วยคนก็ช่วยอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้คนสะดวกสบายไม่ใช่ไปช่วยโดยตรงช่วยโดยอ้อมก็ได้โต้ทำผู้หุงข้าวผู้หงข้าวไปผู้เผาฟืนผ้เาฟืนไปโอเชฟผักก็เชบผักไป ตัวปฏิบัติก็ปฏิบัติไปอย่าเรียกร้องกันโอกาสกันคิดจะช่วยกันไม่ใช่คนนั่นไม่ทำคนนี่ทำาก็ทำคนเดียวลำบากไม่ใช่แบบนั้นมาสนุกทำงานเป็นสุขแล้ดนวดราอย่างนอนอยู่นี่อย่างคิดว่าน้ำภูหขาทองไม่ไหละ่ <laughs> จะไปซื้อสมมึกอ่าคนหมอวันจุกว่าให้ต้องไปให้คนอื่นไปแทนซะ้าพักผ่อนเจ้าก็เลยเชื่อฟังว่าจะไปแล้วเมื่อวานแนละ้วไม่ชี <c oughs> เ้เลยเฮ้ยเกิดไม่ชี้นั่งอยู่นี่ยังจะคิดจะไปนู้นไผู้ขอทองไปเห็นน้ำไม่ไหล น้ำบ่อนั่นเป็นน้ำดื่มของชุมชนชาวบ้านแั้งสี่หมู่บ้ า, บาน <c oughs> มาเอาไปดื่มการทีมาจากทางอื่นว่าเห็นคนเอ า, าน้ำดื่ ม, มก็มีความสุขนะเขาเกิดจากผลงานของเรานี่ด้าดานเราเจ่อเองหนึ่งแสนบาทแล้วก็สูบน้ำเอง ให้โยมาเกิดก็ใช่เองอะันก็มาจากบางกินมามาดูล้วไม่มีน้ำถามเพอว่าไม่ไหลมาสี่วันแล้วโอ้เราก็เสียท่าเลยทำไมจังพางกันปล่อยอย่างนี้บอกเพื่อว่าบอกกำนันมาซ่อมแล้วบอกก็ททำไมทำไมไม่ซ่อมเองอะไรก็บอกก่อน เราไม่เคยบอกใครทามันให้ด้วยทำไม่ให้ด้วยมาเคยบอกใครเสนอรตัวอเองก็ไปเลยอา จ, จะไปอาจจะไปวันนี้นะไปดูน้ํำสักหน่อยไอ้น้ํา ม, มันไหลเพื่อคนจะได้ใช้สะดวกสบายเราเขาไม่ประวัติธทําประช่างหัวมันช่วยสังเกตุอื่น <laughs> เพื่อให้เขาได้สะดวกสบาย แล้วก็ได้มีอะไรที่ ท, ที่ที่เป็นตาประทับเคย <c oughs> เคยเคยได้คิดอย่างนี้นะตอนเราใจตายใจจะขาดหายใจไม่ได้นะแล้วก็ไม่หายใจงหงอมันละชู้ชิดเฉยนี่แหละเราคิดลองคิดดูที่อะไรนะไม่เคยปเป็นแบบทำกรรมกับใครไม่เคยทำใใครเดือดร้อน ไม่เคยทําบาปทํากรรมไม่เคยทําไม่เคยเดือดร้อนสบายสบายไม่มีความเกลียดชังผู้ใดไม่มีอิจฉาผู้บาทผู้ใดมีแต่คิดจะช่วยคนอยู่เสมอเนี่ยมันเลยสบายสบายก็เลยบอกตัวเงว่าอ๋อมันสบายตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรตัวเนี่ยแล้วแล้วอยู่ตรงไม่มีอะไรหน่ะอยู่นี่แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร แต่น า, นาไหนคือเขโใส่ ย, ยาสลบหรือเปล่าก็ตายไปเลยไม่ไม่รู้เลยนอกจากมัน ม, ม, มีเลนนะมีตานะปะทับไปในหัวใจของเราเรามีสติเดี๋ยวนี่มันจะไม่ลืมมันก็ไปรีบดีแนะ่น้อยนะ่ะแ ป, ป๊บแ ป, ป๊แ ป, ปตามไปเถอะอย่าพบถางออกอย่าประยอมอยู่ในความ มืดความโกรธคือความมืดความทุกข์ความมืดมันไม่มืดจยางนั้นมันมีทางอยู่ออกไปชักหน่อยช่วยชักหน่อยอย่าโยมอย่าจำนนไยอมอย่าไปยอมจำนนต่อบาปกรรมหัดให้มีความแข็งแกร่งในตอนที่มันอ่อนแอนะเวลามันหลงเลยเอกากระดูดมันริงตรงนี้แล้ว แล้วมันโกรธแล้วก็ลูกขึ้นมามันเจ็งตรงนี้เวลามันทุกข์ลูกขึ้นมามันเจ็งตรงนี้ชีวิตเราไม่ใช่โกรธแล้วไปดากันน่ะมันคิดเลี้วขี้เหรไปอีกจิ้งอ่อนนไปเลแล้วมันทุกข์เราลองให้โอ้ยอ่อนเนยไปเลยแล้วไม่เชื่อผยงตอนที่มันอ่อนไม่ใช่อย่างไงถ้าไม่เชื่อตรงที่มันผิดตนะ่า นักด่านักสือเพียงบริษัทตโตโยต้าทั่วโลกเรียกรถตโตโยต้าคืนหลายล้านคันไม่มีจุดอ่อนเราจะไปเช้่ให้แต่บางคนเกิดปัติเหตุ <c oughs> เครื่องรถไม่เลี่ยงมันเลี่ยงไปเองเครื่องรม่วิ่งไปมันดับพันทีน่มีอะไรทิ่ขัดทำไม่เกิดอุัติเหตุ บริษัต um, ้องรับผิดชอบเรียกรลดตัวต้ากลับคืนไปบริษัทจะซ่อมไหมเราเรียกความไม่ดีของเราซ่อมตรงนั้นหรอมีไหมมีที่ซ่อมไหมมีรอยไหมนีรอยไหมรอยลักมีไหมรอยเสียใจรอยสุกรอยทุกมีไหม ลหลงตามีรอยเยอะเอมีรอยเยอะะมาซ่อมแล้วจนอู้ซ่อมเนไงอู้เจ็บตัวเวลมันหลงไปรูปเจ็บตัวซ่อมแล้วเวลามันทุกรูเจึบตัวซ่อมแล้วเวลามันโกรธรู้สึกตัวซ่อมแล้วเวลามันหลงไปรูเจ็บตัวซ่อมแล้วซ่อมแล้วซ่อมแล้ว รู้ส่วนเลี้ยวอ่ะดีกว่าขเขาอะเปลี่ยนหลงเป็นรูดีดีนะเปลี่ยนโกรธเป็นรูดีดีนะเปลี่ยนชั่วเป็นร้ายเป็นดีดีนะมันชอบที่สุดเลยเป็นการชอบทำที่สุดอยู่โดยชอบที่สุดโลกนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่โดยชอบไม่เบียงเยนใครจึง ขอใจพวกลองที่มาใช้สุขโตท้องพระสงฆ์ทั้งแม่ชีน้นงนองสาวๆคนเท่าคนเจอ เ, เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็อยากให้ได้ยินเลยฟังเอาไวา้เวลามันโกรธไ้โกรธก็ได้เวลามันทุกข์ไปทุกข์ก็ได้เวลามันหลงไปหลงก็ได้ มเปลี่ยนเอาใครเอาเราเปลี่ยนแพนกันไม่ได้ตัวใครตัวมันตรงนี้ไม่เหมือนอันอื่นปฏิบัติด้วยตนเองทำเอาเองจริงจริงของใครของมันอย่าอ่อนเอเหมือนกับโบราณท่านพูดว่าอะไร รักธรรมต้องแกล้วกล้านักความเรียนักหวงถูกต้องต้องแกล้วกล้ า, กลาเก่งก้าลาเงกลัวช่างหัวมันถ <c oughs> ้าชิรุมลมสอนยิ่งเก่งกล้าทลายไก่ฉันได้เป็นจุดหมายความตายไม่มีค่าอะไร กระจนเข้าใส่จริงกักขังความลักความจังกักขังเรไม่ได้คนแก่ก็มหาพลังจะโดดถึงสุดยอดกดบังกุธรรมด้วยภาษไทยคือถึง ถึงอะไรมงกุฎ ธ, ธรรมด้ยวยาไทยเหมือนใจถึงถึงอะไถึงกวาไม่เป็นอะไรอะไรนานาสุดยอดมองกุฎ ธ, ธรรมอาไทยถึงกวาไม่เป็นอะไรมงกุฎ ธ, ธรรมที่สูงสุดทำไมแล้วจึงไป ลักไปเกลียดชังไปสุขไปทุกข์ไปดีใจเสียใจวิตกกังมลสมอ ง, งทําไมมันไม่เปลี่ยนอะไรหมองกุดทำสิ่งเหล่านี้ทํำไมเราเ ช, เชื่อแข็งทํำไมเรากระโดดมันหลงเทิดโดดออกไปถลาไกรออกไปร่มหลงทําไมกระโดดกานเราเพราเราตื่นงูทํำไมเกิดธรรมชาติกระโดโดลงไป ตก บ, บันไดคอยกระโจนไปไม่ใช่ปล่อยให้ตัวล่างข้างแขียนหาข้างหักยิ่งมันหลงยิ่งถลางใจกลัวอะไรเหล่ามีกลัวช่างหัวมันไม่มีอะไรช่างหัวมันไม่เป็นไรเอาเดินทางไม่เป็นไรขเขาเชิญเชิญไม่เป็นไร เขาเลียนทาเราเราพยายามที่จะรู้ตัวเองไม่รู้มาที้อะไรเขาเราพยายามจะแนะนําเขาหน้าเขาเฉิญเฉิญเราเราก็ไม่รู้มาขี้เมื่เขายกย่องเราเราก็ไม่รู้มาขี้ จ่เขาไม่รู้เลยเลยเราพยายามที่จะเข้าให้เขารู้เรื่องนั้นไม่เสียหายยิ่งฉลาดก่ปัญหายิ่งมีปัญญาได้ยินไหมมันมีทางแบบนี้นะชีวิตของเรามันเป็นมนุษย์มันเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์มันเปลี่ยนไล่เป็นดีได้ไม่เหมือนสเตชนัน สนทะเลก็ไม่ได้สัตน์ได้ก็แค่เล็กแต่น้อยแต่มนุษย์นี่เหมือนสอนได้ตอนที่หลวงตาพูดถวัตกรว่ามนุษย์ตรงไปทางสูงมันหลงไปทางต่ําหลงเป็นหลงไปทางต่ํามนุษย์ไปทางสูงเลนทวนไว้ทวนกระเสยหลงเป็นลูกโดยวทวนกระเสย ทุกเป็นลูทวนกะแสทุกเป็นโลกไม่ทุกเป็นเหนือโลกโลกุตตละโลกียะโลกุตตละมันมีอยู่โลกโลกไปสองโลกโลกุตตละโลกียะโลกอันหนึ่งก็โลกอะไร ตามภาษาอิธรรมให้โลกจำไม่ได้แต่ไม่ต้องไปอันละ่ะอยู่ในหัวใจเรานี่แหละเราก็เคยสมัมผัสกับโลกให้มันเหนือโลกจเจริญสติพระเจ้าก็บอกแล้ว จงมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ความพอใจความไม่พอใจเป็นรถของโลกถอนลงมาอาสามีสติแล้วแลวอยู่ออะไรที่มันเกิดพอใจไม่พอใจถอนออกมาอย่าไปสยบจุกมันมีไหมถ้าพอใจมีไหมไม่พอใจมีหมห้ พอใจก็หัวล้อไม่พอใจก็ร้องไห้ถอนหลกบาสนเป็นลสของโลกเป็นลดของโล ก, โลโลกต้องออกมาจากโลกมาดูโลกสุดทั้งหลายของจงมาดูโลกนี้อันวิจิตการดุจราชรถที่คนหลงคนเขา่เขาขอไม่รู้เขาหมอกอยู่เขไม่รู้เขาจะงมีสุขเขาไม่รู้จึงเขาจึงมีทุกข์ถอนเหล่ามา ตนสอนตนมีสตินี่แหละเป็นกุญแจดอกเอกเวียนไล่ทุกข์นี้ใจสติเป็นสากลว่าจะให้อาจารย์รสรงข์ินทำรูปสติเออทำรูปกุญแจไว้ชักดอกนึ่งที่สวนทม ไปเลยลิเลยกะสวนธรรมลิเลียกะเข้าใจไหมรมเป็นคนเจ้าศรีเป็นลูกคนเจ้าสวนธรรมลิเลียกะลิเลียกะมาจากไหนใครลูก อิเลยยกะมาจากอะไรเอ็มไมคีตาล้องตาว่า <c oughs> ชิตังเมมาจากอะไรอิเลยยกะมาจากไหน <c oughs> ถ้าไม่รู้ก็ต้องถามสิ <c oughs> ไม่รู้ถึงใดควรแต่ถามท่านผู้รู้จงบอก นี่เคยนักศึกษาอย่าปรปยอมจนเรามีมิตรเพื่อนอยู่ลิเลยกะหมายถึ ง, าง้าญสมัยเนอ้ า, างตัวนั้นชื่อดินิเลยกะอยู่ที่ไหนลละเกี่ยวกับ้างตัวนี้เมื่อไหร่ไอ้ชี้น้อยยางซื้อเช่าพระ พุทธลกูกปังลิเลยกามาให้อยู่ที่ไหนนี่เราช่างตัวนี้ลิเลยกะหาหงไม่หวหั่นไหวไม่มีใครดูแลพระเจ้าพระสมทะเลาะกันต่อช่างตัวนี้มาช่วยพระที่เจ้ากับเลียงตัวหนึง่งนี่ป่าป่าลิเลยกะคือป่าช่างตัวนี้ชื่อดิเลยะกะ เป็นอุปมาอุปมลยอย่างเกี่ยวกับช่างอย่างทประธานสี่เหมือนรอยเท้าของช่างโอยเท่าสัตว์เดินน้อยกว่าเล็กกว่ารอยเท้าของช่างโดยเท่าสัตว์เดินเอามารวมลงที่รอยเท้าของช่างได้ทุกสัตว์ทุกประเภทเพราะรอยเท้าของช่างมันใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์เด่น ในขาวสอนพระเจ้านี่ว่ารวมลงที่เตตีประธานสี่คือความไม่ประมาทเนี่ยเป็นที่หลวมของคำสอนทั้งหมดเตตีประธานสีอยู่ที่ไหนไปอ่านตำราพระสูตรหรอือไม่ใช่แต่หมายพระเจ้าตัดจะรุไม่เคยอ่านตำราเลยเอากายเป็นตำราเอาใจเป็นตำราเอาสติตัวนี้เป็นนักศึกษา ผู้แขนเข้าเยอะแขนดอกเนี่ยครมีแขนอยู่ที่นี่โยมมีบ่ลำไปมักมีแขนไหมโยกแขนัวาขึ้นหน่อยชิ้ันกวานะกำดูกำดูกำมือดูลูสสกตัวงไหมเออแขน กรรู้เหยียดรู้กรรู้เหยียดรู้เนี่ยนี่พระเจ้าอ๋อตัวนี้มันตำลางนี่มันกู้แขนเข้ารู้จึกเหยียดแขนออกรู้สึ ก, กเนี่ยนี่เลยสติปัะถาสี่ลอยท่าของช้าหรือว่าทั้งหมดแล้วถ้าท่านรู้อยู่ที่กายของเราเวลาใจไม่คิดไปรู้เนี่ยมันก็มีแค่นี้ปัญหาเกิดจากสองอย่างนี้ คือกายคือใจมันไม่มากถ้าเราลูกมันก็มันก็ไม่ ไ, มไปไหนแค่ก็แค่ตรงนี้หมดปัญหาก็บมดตรงนี้อย่าไปโทษคนอื่นเขาด่ากขาว่าเราอย่าไปโทษเขา เ, เขาไม่รู้เขาจึงพูดแล้วเขารู้เขาไม่พูด น, น่าสงสารเขาเขาพูดไม่ถูก เอขาด่าเราเราทำใชปิดเหมือนเขาด่าขอบคุณเขาอย่าไปโกรธเขาตอนนี้เราสติฐานใจเจ๊ตรงไหนเจ๊ตัวไหนยินวะจบตอนนี้ครับพระบ้องกัน